ปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเรียบเรียงโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีร่วงข้อวัดปฏิบัติอุบายสู้กิเลสการต่อสู้ผจญกับปัญหาทั้งภายนอกและภายในประสบการณ์ทางจิตเรื่องสมาธิสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติร่มข้อธรรมคาสอนของหลวงปู่มั่นที่หลวงตาท่านรวบรวมมาเรียบเรียงไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางและเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้สนใจในธรรมได้ทั้งพระและคารวะในการภาคเพียรไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างถูกทางและถูกธรรมต่อไปจัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัดประภัยจิตหันกลางและครอบครัวพันธุเชษร่วมจัดทำโดยชันทนาเบิกบานซอฟพาครอบครัวบุบลิสครอบครัวอิมวงศรีครอบครัวปัญญาภรณปิยะรัตนหะไทัยใจยง วิชายาดามุ่งวิชาครอบครัวแสงสิริพงพันธ์และครอบครัวเลิศอนุสร์ร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง